เอาง่ายอย่าเสีเรียอเรื่องเจ๊กหมดทุนนิชายคนหนึ่งอยู่สุงไหกโกลกชื่ออาหังอาหังหรือเจ๊กหัง ค้าขายขาดทุนปีเดียวสามสี่แสนบาทไม่เป็นอันทรมาหากินเลยเพอขาดทุนสี่แสนก็มานั่งทำท่าเหมือนลิงป่วยหมดแรงหมดอะไรตายยากพูดพร่ำอยู่คำเดียวทั้งวันว่าขาดทุนหมกแล้วว่าขาดทุนหมกแล้วจนญาติญาติระอาไม่รู้จะทำอย่างไร เลยหามาส่งที่วัดสวนโมกเจ็กฮังก็มานั่งที่ตรงหินโค้งนั่งเป็นทุกข์ในท่าเจ็กหมดทุนท่าเดิมนั่งบ่นว่าว่าเจ๊งหมกแล้วว่าขาดทุนหมกแล้วอาจารย์พุทธทาสก็เลยเข้าไปถามว่าฮังลือขาดทุนแน่หรือแน่สิครับสี่แสง ปีเลียวหมกเกลี้ยงพ่มขาดทุนย่อยยับหมกเลยคิดให้ดีขาดทุนจริงๆนะเหรอจริงสิครับอย่ามายั่วโทสะผมนะอาจารย์พุทธทาสก็เลยถามต่อว่าโยมอาหังที่ลืบบนขาดทุนขาดทุนเนี่ยลือเกิดมาหรือมิทุนติดตัวมาเท่าไหร่วันที่ลึกเกิดมาน呐ะ อาหังนั่งคิดอยู่พักหนึ่งเอ๊ะใครมันจะไปดึงทุนออกมาจากท้องแม่ได้ในวันเกิดนะพระเนี่ยถามอะไรแปลกๆอาหังตอบว่าไม่มีท่านพุทธทาสท่านก็ถามต่อเดี๋ยวนี้หม้อหุงข้าวหรือมีไหมหม้อหุงข้าวมีเสื้อผ้ามีใส่ไมมี บ้านมีอยู่ไหมมีถามอะไรต่อมีอะไรเจ๊กฮังก็ตอบว่ามีมี ม, มีท่านพุทธทาสท่านจึงบอกว่าอาหารลืมไม่ได้ขาดทุนหรอกเพียงแต่กำไรมันลดลงไปนิดหน่อยเท่านั้น